อันนี้เป็นวันจันทร์ที่หนึ่งเมษายนพุทธศักราช2567เป็นวันพระเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนผู้ใฝ่ธรรมได้จ้งใจมาวัดเพื่อมาทำการบูชาพระรัตนตรัย คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เป็นที่เพึ่งอันสูงสุดของจิตใจเป็นครูเป็นอาจารย์ที่จะสอนให้จิตใจได้รู้จักธรรมะแสงสว่างที่จะนำพาชีวิตให้ไปสู่ที่ชอบที่ชอบที่สุขที่จเจริญ พระคุณของพระรตัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมคาสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวรของพระพุทธเจ้าเป็นพระคุณที่ล้น้ายิ่งกว่าพระคุณของบิดามารดาผู้ให้กาเนิดเพราะบิดามารดาให้กาเนิดคือให้ร่างกาย แก่พวกเราแต่ไม่สามารถที่จะให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทางจิตใจได้แต่พระรัะตนตรายนี้สามารถที่จะทำให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทางใจได้อย่างสิ้นเชิมไม่มีใครในโลกนี้ที่จะสามารถสอนให้ สัตว์โลกอย่างพวกเราที่ยังติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดอยู่นี้ได้หลุดพ้นจากกองทุกข์นี้ได้มีพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์เท่านั้นพระอริยสงสาวุกเท่านั้นที่จะสามารถสั่งสอนให้สัตว์โลกอย่างพวกเราได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ หลุดพ้นจากความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตาย mm hmm. นี่นะคือพระคุณยิ่งใหญ่เพราะไม่มีอาจารย์หรือครูบาอาจารย์ในโลกนี้ที่จะสามารถสอนให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ mm hmm. นอกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้น ต่อให้เป็นศาสตราจารย์ระดับเอกของโลกได้รับรางวัลต่างๆเป็นรางวัลโนเบลหรือรางวัลอะไรทางด้านการศึกษาที่ทางโลกยกย่องว่าเป็นผู้ฉลาดเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถแต่ก็มีแต่ความรู้ความสามารถที่จะ กำจัดความทุกข์เช่นโครคภัยไข้เจ็บของร่างกายได้เท่านั้นแต่จะไม่สามารถที่จะรู้จักการกำจัดความทุกข์ทางใจได้เลยแม้แต่ตัวอาจารย์ผู้ที่ยุโลกยกย่องนับถือว่าเป็นผู้มีความรู้ความฉลาดก็ยังตกอยู่ในกองทุกข์อยู่เช่นกัน ดำงนั้นไม่มีใครในเลก่นี้จึงถือว่าจะฉลาดจะเก่งเท่ากับพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าการที่ได้มาเกิดได้มาพบกับพระรัตนตรัยองค์ใดองค์หนึ่งไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าก็ดีหรือพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ดี หรือพระอริยสงสากของพระพุทธเจ้าก็ดีก็ต้องถือว่าเป็นโชคลาภอ mm ันมหาศาลเป็นโอกาสทองที่นานๆจะเกิดขึ้นแก่สัตว์เล้าที่ยังท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสารที่ยังเวียนว่ายตายเกิดในใจพบอยู่เพราะเมื่อได้พบกับระรัตนไตายแล้วไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าเองก็ดี ถ้าทำคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้มีการบันทึกจารึกไว้ในพระไตรปิฎกก็ดีหรือพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าก็ดีก็จะได้มีโอกาสาได้เรียนรู้ได้ศึกษาวิธีของการอลดพ้นจากความทุกข์ที่ติดมาอยู่เป็นเวลาอันยาวนานจนํานวนของความทุกข์ที่สัตว์โลกอย่างพวกเรานี้ ต้องผ่านมาต้องประสบกันนี้มากมายจนนับจำนวนไม่ได้ถ้าจะประมาณก็ต้องเอาน้าตาที่หลังไม่แต่ละครั้งที่เกิดความทุกข์ในแต่ละภพแต่ละชาตินี้ถ้าเอาน้าตาที่ที่หลังทุกครั้งที่เกิดความทุกข์ใจเอามารวบรวมกันของแต่ละภพแต่ละชาติ จะได้น้ําตามากยิ่งกว่าน้ําในมหาสมุทรนั่นก็คือปริมาณของความทุกข์ของพวกเราที่ยังเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่และยังจะต้องหลั่งน้ําตากันต่อไปอีกไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดถ้าไม่ได้มีโอกาสได้มาพบกับพระรมณ์ชัย แต่ถ้าได้พบกับพระรัตนตรัยแล้วถ้ามีความศรัทธามีความเนื่องใสในพระรัตนตรยัยมีความเชื่ อ, อ ม, มีความพร้อมมีความยินดีที่จะศึกษาและปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุพะทธรธรรมหรือพระสงฆ์แล้วก็จะสามารถที่จะทำให้การเวียนว่ายตายเกิดอันยาวนาน นี้ได้ยุติลงไม่ต้องหลังน้ำตาอีกต่อไปเพราะจะไม่มีความทุกข์มาบีบคั้นจิตใจให้ต้องหลังน้ำตามีแต่ความสุขอยู่ภายในใจตลอดเวลา อ, อย่างที่มีนิทานหรือเรื่องที่เล่าให้ฟังในพระไตรปิฎกว่ามีเศรษฐีท่านหนึ่งท่านมาบวช และหลังจากปฏิบัติตามคาสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ท่านก็มีแต่ความสุขอยู่ในใจตลอดเวลาเวลาท่านเดินไปไหนมาไหนท่านมักจะพูพรรมิพันอยู่ในใจว่าสุขหนาสุขหนาพร้ า, านเนนที่ไม่เข้าใจคิดว่าท่านเพอเจ้อไม่มีสติ ก็ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าพระรูปนี้ท่านไม่สำรวมไม่มีสติพระพุทธเจ้าก็ท่งเรียกมาสอบถามพระรูปนี้ท่านก็เล่าว่าสมัยที่ท่านเป็นเศรษฐีนั้นท่านมีเงินทองมากมายแต่กลับไม่มีความสุขเหมือนกับตอนที่ได้มาบวชได้บรรลุธรรมเลยมีแต่ความทุกข์กับเรื่องต่างๆเรื่องทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆ ไม่เคยคิดว่าจะมีความสุขแบบนี้ได้เลยแต่พอมาบวชแล้วมาปฏิบัติตามคำสอนจนสามารถบรรลุธรรมขั้นสูงสุดได้ใจก็เต็มเปลี่ยนไปด้วยบรรมสุขที่เรียกว่านิบบานังปรลมังสุขขังความสุขอันนี้มันมีอิทธิพลต่อต่อใจของตนเองมากจนทำให้ไม่สามารถที่จะหักห้ามความเพิ่มปิติ ถึงต้องอุทานออกมาว่าสุขหนอสุขหนอพ<ม>ระพุทธเจ้าหลังจากที่ได้ยินได้ฟังคำอธิบายแล้วก็บอกว่าแต่คนนี้ไม่ใช่ไม่ไม่มีสติแต่เป็นคนที่มีธรรมันเลิศอันประเสริฐ<ม><ม>ก็คือนิบานังปรมังสุขขังนี่เองนี่แหละคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับทุกคนถ้ามีศรัทธามีความเชื่อ และมีความยินดีที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าผลก็คือการหลุดพ้นจากความทุกข์การได้บรรลุถึงพระนิพพานที่เป็นบร ม, มสุข<ม>ก็จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนี่แหละคือความวิเศษของพระรัตนตรัย ที่ไม่มีใครไม่มีอะไรใดในโลกนี้สามารถที่จะทำได้คือทำให้ผู้ที่ได้มาได้ยินได้ศึกษาได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ <c oughs> พระคุณนันยิ่งใหญ่นี้แหละที่ทำให้เราชาวพุทธถึงอยากจะแสดงความกตัญญูกตวเวที ด้วยการมาบำเพ็ญมาทดแทนบุญคุณด้วยการบูชาพระราตนาไตรซึ่งในการบูชาพระราตนาไตรนี้ mm hmm. ก็มีอยู่สองรูปแบบด้วยกันรูปแบบที่หนึ่ง mm hmm. เรียกว่าอาิสบูชา mm hmm. รูปแบบที่สองเรียกว่าปฏิบัติบูบชา mm hmm. อาบิสบูชาก็คือการบูชาด้วย วัตถุข้าวของเงินทองต่างๆเช่นเรามาทำนุบำ ร, รุงพระพุทธาศาสนาด้วยการถวายปัจจัยสี่ให้แก่พระภิกษุสา ม, มเณรที่บวชอยู่ในพระพุทธาศาสนาถวายอาหา ร, ad, รบบญทบาทจีวนเครื่องนุง่งห่มกุฏิที่วสัยและยารักษาโรค ที่เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีพของร่างกายร่างกายของทุกคนไม่ว่าจะเป็นคารว่าผู้คลองเลือนก็ดีหรือนักบวชก็ดีก็ตกอยู่ในสภาพอันเดียวกันกอจะต้องพบกับความเจ็บไข้ได้ป่วยจะต้องมีการเยียวยาบำรุงด้วยอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรค การที่เราได้ทนำนุบารุงคุณภาพพืชสธตรสามเณรด้วยการบริจาคทรัพย์<ม>เพื่อให้เป็นอาหารก็ดีเป็นเครื่องนุง่งห่มจีวรก็ดีเป็นที่อยู่อาศัยก็ดีเป็นบป็ยารักษาโรคก็ดีนี้เรียกว่าเป็นการบูชาด้วยอมิสบูชา<ม>นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีการบูชา ด้วยการถวายท้าววรสูตรต่างๆที่จำเป็นในการที่จะดำเนินการศึกษาการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าบางท่านก็บริจาคที่ดินอย่างเช่นวัดยานี้ก็มีมีเศรษฐีสามีภรรยาอยู่ท่านหนึ่งคู่หนึ่งบริจาคที่ดินประมาณร้อยกว่าไร่ด้วยกัน ให้กับสมเด็จประญาณนสังวรเพื่อมาสร้างวัดเป็นวัดญาณสังวรขึ้นมาอันนี้นบบอยจากที่ดินแล้วก็มีมีาาศรัทธาญาติโยมผู้ก็ร่วมกันบอยจากทรัพย์เพื่อสร้างถาวรและวัตถุต่างๆเช่นกุฏิศาลาศาลาการประเรียนศาลาหอฉันศาลาไหว้พระสวนมุนพระอุบโบสถ ไว้สำหรับทาพิธีประกอบพิธีกรรมต่างๆสร้างพระบรมราธาธัชาเจดีย์ไว้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเพื่อเป็นที่ละลึกเป็นที่กราบไหว้ของชาวพุทธให้ล้ำลึกถึงพระพัทนาตรายัยหรือพระพุทธธรรมพระสงฆ์ mm hmm. แล้วก็สร้างที่พักอาศัยให้กับคารวาดญาติโยมที่สนใจที่จะมาประกอบ พิธีบูชาพระรัตนตรัยด้วยการปฏิบัติบูชาก็จะอยู่ค้างคืนกันเพื่อที่จะได้ทำพิธีทำการบูชาทำการปฏิบัติบูชาเป็นต้นอันนี้ก็เรียกว่าเป็นอามิสบูชาคือการบูชาด้วยการบริจาคข้าวของเงินทองเพื่อสร้าง สิ่งที่จําเป็นต่อการดํารงการดําเนินศาส น, านกิจก็คือการศึกษาและการปฏิบัติทำเพื่อหลุดการหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดอันนี้เรียกว่าอามิสบูชาและบูชาแบบหนึ่งซึ่งพระพุทธเจ้าทรงสอนว่ายังมีบูชาที่เหนือกว่าการบูชาด้วยอามิสบูชา อามิสบูชานี้อา น, นิสงของการทำอามิสบูชานี้ก็จะทำให้เราได้ไปสวรรค์กันไปสวรรค์ชั้นเทพกันแต่ยังไม่สามารถที่จะทำให้เราได้หลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้าต้องการที่จะไปสวรรค์ที่สูงกว่านี้คือสวรรค์ชั้นพะนิพาน คือสถานที่ที่อยู่นอกกรอบของการเวียนว่ายตายเกิดอนิพานจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีการปฏิบัติบูบชาพระพุทธเจ้าทรงทรงยกย่องว่าระหว่างการบูชาทั้งสองอย่างนี้การบูชาด้วยการปฏิบัติบูบชานี้เป็นการบูชาที่เลิศที่ประเสริฐที่สุดเพราะจะได้ผลอันเลิศอันประเสริฐ การปฏิบัติบูชานี้ก็ต้องอยู่ที่การปฏิบัติเรียกว่าศีลสมาธิปัญญานี่เองอามิสบูชานี้ก็คือการปฏิบัติทานทานแล้วก็รักษาศีลห้าก็จะถือว่าเป็นการก็ทำอามิสบูชาอา น, นิสงส์ก็จะได้ไปเกิด ไปท่องเที่ยวในสวรรค์ต่อจากหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วแต่ยังไม่หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดอยู่เพียงแต่จะทําให้การเวียนว่ายตายเกิดนี้เป็นไปในในส่วนของสุคติ mm hmm. คือตายแล้วก็จะไปสวรรค์กันหลังจากที่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็จะติดนิสัยในการทําบุญทําทาน รักษาศี่งห้าก็จะมาทําบุญทําทานรักษาศี่งห้าใหม่แล้วก็จะตายไปก็กลับไปสวรรค์ใหม่ก็จะเวียนอยู่ในสุคติไม่ไปเวีย น, ไ ม, ไ, ยนไม่ไปเกิดในทุกคติเพราะว่าผู้ที่ทําบุญมักจะไม่ชอบทําบาสนั่นเองการจะไปเวียนว่ายตายเกิดในทุกคติก็ต้องเกิดจากการกระทําบาปคือ การฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดประเพณีการพูดปดและการดื่มสุรายาเมาและอบายามุขต่างๆซึ่งถ้าเป็นชาวพุทธที่ได้รับการอบรมสั่งสอนมาก็จะไม่มีการกระทำการเหล่านี้จะมีแต่การทำบุญทำกุศลและเว้นจากการกระทำบาป ถ้าได้ทำอยู่บ่อยๆก็จะติดเป็นนิสยัยจะติดตัวไปเป็นบารมีเห็นทานบารมีเป็นเมตตาบารมีเป็นศีลบารมีที่จะคอยผลักดันให้จิตใจที่ยังเวียนว่ายตายเกิดนี้อยู่นี้ให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสติไปเรื่อยๆแต่ถ้าอยากที่จะไป หลุออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดก็จำเป็นที่จะต้องกระทาการบูชาอีกแบบหนึ่งที่เรียกว่าการปฏิบัติบูชาการการปฏิบัติบูชานี้ก็คือการปฏิบัติการชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์กำจัดกิเลสปัญหาเครื่องเศร้าหมอง ที่คอยดึงจิตใจให้ยังต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆถึงแม้ว่าจะเกิดในสุคติข้าตา<ม>ก็ยังต้องเจอกับความทุกข์ของความเกิดแก่เจ็บตายเวลาที่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในแต่ละครั้ง<ม>ก็จำเป็นที่จะต้องเจอกับความแก่ความเจ็บความตาย<ม>แล้วก็ต้องเจอกับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ ทุกจากภัยต่างๆที่จะมาคอยทำลายทาลายร่างกายทุกภัยทางธรรมชาติดินฟ้าอากาศทุกภัยทางโรคภัยไข้เจ็บทุกภัยจากเสิงสารสัต ร, ร้ายต่าง ๆ, ๆทุกภัยจากมนุษย์ที่ใจโหดร้ายทารุณ ก็ยังจะต้องมาเจอกับความทุกข์ในขณะที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์อยู่มแม้จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ที่ดีที่มีความมั่งมีมีความสุขก็าตามแต่ก็ยังต้องเจอกับความทุกข์อยู่เช่นเดียวกันถ้าอยากที่จะไม่ต้องการที่จะเจอกับความทุกข์ก็จะต้องมีการปฏิบัติเพื่อให้จิตไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดกต่อไป ในการที่จะไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดได้ก็จะต้อเป็นจะต้องกาจัดเหตุที่พาให้จิตใจมาเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่มีวันสิ้นสุดเหตุที่พาให้สาติโลกมาเวียนว่ายตายเกิดและมาทุกข์กับสิ่งต่างๆกับเหตุการณ์ต่างๆมีก็เกิดจากตัณหาความอยากทั้งสาม ได้แก่กามาตัณหาภาวะตัณหา <c oughs> และวิภาวะตัณหานั่นเองกามาตัณหาก็คือความอยากเสพรูปเสียงกลภภิ่นรสผดตะเพาะเช่นการอยากดูอยากฟังอยากลิ้มรส ด, ดมกลิ่นอยากสัมผัสกับสัมผัสที่มากระทบกับร่างกายในรูปแบบต่างๆเวลาได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผดตะเพาะที่ถูกใจ ก็จะเกิดความสุขขึ้นมาพอได้ความสุขก็จะเกิดความยึดติดกับความสุขนั้นอยากให้มีสุขเวทนาอยู่เรื่อยๆแต่สุขเวทนาก็เป็นสิ่งที่ไม่จีรังถังวรปรากฏขึ้นมาชั่วระยะหนึ่งในขณะที่ได้เสพได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสที่ถูกใจแต่พอไม่ได้เสพไม่ได้สัมผัส ความสุขใจความสุขความสุขเวทนาที่เกิดขึ้นก็จะจางหายไปเมื่อจางหายไปก็จะทําให้เกิดความจําเป็นที่จะต้องหามาใหม่ก็เลยจําเป็นที่จะต้องคอยดิ้นรนแสวงหารูปเสียงกลิ่นรสผดเถรภาชนิดต่างๆอยู่เรื่อยๆแต่เครื่องมือที่ใช้ในการแสวงหารูปเสียงกลิ่นรสผดเถรภะนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน ก็คือร่างกายนี้ก็เป็นของที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนร่างกายมันก็มีวาระของมันคือมันมีเวละที่เจริญแล้วมันก็จะมีวาระที่เสื่อมลง uh huh. เวลาที่เจริญก็ไม่มีปัญหาอะไรตาหงจมูกทิ้งกายสมบูรณ์สามารถที่จะไปเสพรูปเสียงกลิ่นลดผลทพธได้อย่างไม่มีปัญหาอะไร uh huh. แต่พอ เข้าสู่วาระเสื่อมของร่างกายตาหูจมูกนิ้นกายก็จะเริ่มมีปัญหาขึ้นมาการที่จะเสบ ร, รูปเสียงกลิ่นรสในรูปก็อาจจะเกิดอุปสรรคไม่สามารถที่จะทําได้อย่างที่สมัยที่ร่างกายอยู่ในวาระของความเจริญก็จะทําให้มีอุปสรรคไม่สามารถที่จะเสพความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสได้ ก็จะทำให้เกิดความรู้สึกเศร้าส้อยเหงยเหงาว้าเหวเวลาที่ไม่ไม่มีความสุขจากการได้เสพได้สัมผัสกับรูปเสียงกิ่นรต่างๆนอกจากร่างกายที่เป็นเครื่องมือหลักแล้วก็ยังมีเครื่องมือรองที่สนับสนุนก็คือทรัพย์สินเงินทองและเวลาที่จะเสพรูปเสียงกิ่นรสแต่ละอย่างแต่ละครั้งนี้บางทีก็จะเป็นที่จะต้องมีเงินมีทอง มีงานมีทองไปซื้อหรือพาไปเสกเช่นอยากจะไปเสษ ร, รูปเสียงกิริรนในสถานที่ต่างๆโดยเฉพาะสถานที่ต่างประเทศอย่างนี้ก็จำเป็นจะต้องมีเงินทองไว้สำหรับค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางไปแล้วต้องมีค่าใช้ใจ่ายในการที่จะต้องไปอยู่ไปกินในที่ที่เหล่านั้นด้วย ถ้าไม่มีเงินมีทองเงินทองไม่พอใช้ความสุขที่จะได้ก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เมื่อไม่มีความสุขใจก็จะมีความรู้สึกมีความทุกขม์มีความเศร้าซ้อยเหงาเหงามีความว้าวิขึ้นมาอันนี้คือโทษของการที่ไปเสดความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกาย ว่ามันมีขอบเขตมันมีความไม่แน่นอนถ้าหวังหาความสุขจากการเสพรูปเสียงกลิ่นลแล้วจะไม่ได้ความสุขตลอดเวลาจะต้องมีเวลาที่จะต้องเจอกับความทุกข์อย่างแน่นอนเวลาที่ไม่สามารถทำตามความอยากได้<ม>แล้วก็ความอยากนี่แหละที่พาให้กลับมามีร่างกายอยู่เรื่อยๆคือมาเกิดอยู่เรื่อยๆ เวลาที่ร่างกายตายไปความอยากไม่ได้ตายไปกับร่างกายเพราะความอยากไม่ได้อยู่ในร่างกายความอยากอยู่ในใจผู้รู้ผู้คิดผู้สั่งผู้ใช้ร่างกายให้ไปหาสิ่งต่างๆมาให้ให้ผู้รู้ผู้คิดนี้ได้เสพนั่นเองความอยากกามตัณหาภาวะตัณห า, ะะหาและวิภาวะตัณหาเนี่มันอยู่ในใจ ม, มันไม่ได้อยู่ที่ร่างกาย เวลาที่ร่างกายตายไปความอยากมันก็ยังอยู่ต่อไปแล้วความอยากนี่แหละจะเป็นผู้ที่พาให้ใจมาหาร่างกายอันใหม่แต่ก่อนที่จะได้มาได้ร่างกายอันใหม่ในช่วงขณะที่เป็นดวงวิญญาณก็จะต้องไปรับผลบุญผลบาป ท, ที่เกิดจากการกระทาทำบุญหรือทำบาปขึ้น อ, อยู่ว่าส่วนไหน จะมีมากกว่ากันมีกำลังมากกว่ากันถ้าบุญมีกำลังมากกว่าก็จะได้ไปรับผลบุญในสวรรค์ชั้นต่างๆถ้าบาปมีกำลังมากกว่าบุญก็ต้องไปรับผลบาปในอบายสี่สถานด้วยกันจนกว่าบุญหรือบาปนี้ไม่สามารถที่จะดึงให้ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ก็จะเป็นช่วงเวลาที่จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่พอมาเกิดพอได้ร่างกายของมนุษย์พอคลอดออกมาจากท้องแม่ความอยากก็เริ่มทํางาน ท, าทันทีอยากเสพรูปเสียงก ล, ลาาางิ่นรสผลตภพทันทีสาเหตุที่ทารกที่ออกมาจากคลอดออกมาแล้วเริ่มมีการร้องไห้นี่ก็แสดงว่าเกิดความอยากแล้วอยากอยากได้เวทนาอยากจะได้สุขเวทนา เวลาที่ไม่มีสุขเกเวทนารหรือเวลาเจอทุกขเวทนาก็จะเกิด อ, อาการร้องไห้เพื่อบอกวิดามารดาให้รู้ว่าตอนนี้ไม่มีความสุขเลยวิดามารดาก็ต้องหาสาเหตุว่าขาดอะไรต้องการอะไรขาดน้ําขาดอาหารหรือขาดอะไรก็ต้องคอยหามาให้ให้เสดบางทีก็อยากจะเสดรวบเสียงกินลด อย่ากเห็นอะไรแปลกๆพ่อแม่ก็หาตุ๊กตาหาอะไรมาให้ดูให้มาเล่นพอได้ของเล่นภาพความอาการร้องไห้ก็หายไปได้มีการเพิ่มเติมได้เสพ ร, รูปเสียงกินรสกิเลสนี่มันมีอยู่ในใจมันขนาดทารกก็มีกิเลสแสดงอาการของกิเลส ท, ทุกคําที่ร้องเนี่ยมันก็เกิดจากความอยาก อยากได้สิ่งในสิ่งหนึ่งความอยากนี่แหละเป็นสิ่งที่ถ้าเราไม่ต้องการที่จะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเราจาเป็นที่จะต้องกําจัดมันให้หมดสิ้นไปจากใจให้ได้ความอยากสองอันก็ความอยากมีอยากเป็นอยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่เป็นคนธรรมดาก็ยังไม่พอใจไม่มีความสุข อยากจะเป็นคนที่เด่นกับผู้อื่นอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตถ้ามีการเปิดโอกาสเช้นให้ไปเป็นหัวหน้าในระดับใดระดับหนึ่งก็จะมีการวิ่งหาเสียงกันวิ่งเต้นกันเพื่อที่จะให้ได้ตำแหน่งต่างๆยศต่างๆกันเยียงว่าภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็น แล้วก็ความอยากไม่มีอยากไม่เป็นก็คือไม่อยากได้สิ่งที่ตนเองไม่ชอบเช่นไม่อยากยากจนไม่อยากจะให้คนอื่นดูถูกดูแคลนไม่อยากให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยไม่อยากให้ร่างกายตายเป็นต้นเวลาเกิดความอยากเหล่านี้มันก็จะทำให้ใจต้องดิ้นอยู่ไม่เป็นสุขนะ นี่คือตัวที่มาสร้างความทุกข์ให้กับใจและตัวที่จะผักดันให้ใจจะต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆถ้ามันอยากจะยุติความทุกข์ใจที่เกิดจากความอยากเหล่านี้และต้องการที่จะหยุดการกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆก็จาเป็นที่จะต้องกำจัดความอยากต่างๆเหล่านี้ให้หมดสิ้นไปจากใจให้ได้ และวิธีการที่จะกำจัดความอยากเหล่านี้ได้ก็คือวิธีการของการปฏิบัติบูชานี่<ม>องค์เจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติบูชาด้วยการเจริญศีลสมาธิปัญญากจรทำสามข้อนี้รักษาศีลตั้งศีล น, นี้ก็อยู่ในระดับของศีลของผู้ปฏิบัติไม่ใช่ศีลของของผู้ เป็นศีลไม่ใช่เป็นศีลของนักบุญนะศีลของนักบุญก็คือศีลห้าผู้ที่ทําบุญผู้ที่ท ำ, ททำอา ม, มิสบูชาก็ถือศีลห้าแล้วก็ทําบุญทำทานตามกําลังของทรัพย์ที่มีอยู่มากน้อยก็ทําไปก็จะได้บูชาด้วยอา ม, มิสบูชาแต่การปฏิบัติ บ, บูชานี้จําเป็นจะต้องบูชาด้วยศีลที่สูงกว่า จะเรียกว่าอธิสินก็ได้สินที่สูงกว่าสินห้าเป็นสินธรรมดาสินสีนสีนของผู้ปฏิบัตินี้ต้องเป็นสินแปดขึ้นไปเพราะว่าการจะปฏิบัตินี้จะมีอุปสรรคที่คอยขวางกั้นการปฏิบัติคือกิเลสต่างๆนี่แหละจะเป็นตัวที่จะมาคอยขวางไม่ให้สามารถชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ก็เลยต้องมีมาตรการเสริม ก็คือการรักษาศีลรักษาศีลของนักปฏิบัติเลยคือตั้งแต่ศีลแปดขึ้นไปศีลแต่ hmm. ก็สําหรับคารวะผู้ครองเรือนอุบาสกอุบาสิกาที่อยากจะกระทาการปฏบิบัติบูชาในวัน mm hmm. เช่นวันนี้ในวันพระ mm hmm. สมัยก่อนวันพระนี้จะเป็นวันหยุดทํางานอ เพื่อที่จะได้เอาเวลาของวันหยุดทำงานนี้มาให้กับการปฏิบัติบูชานั้นเองแต่สมัยนี้เราโลกมันเปลี่ยนไปวันหยุดทำงานเดี๋ยวนี้ไม่ได้ตรงกับวันพระเสมอไปวันหยุดทำงานเดี๋ยวนี้เขากำหนดให้ตรงกับวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เป็นวันหยุดทำงานวันจันทร์อย่างวันนี้ถึงแม้จะเป็นวันพระทางศาสนา หรืแม้จะเป็นวันหยุดของศาสนาพุทธก็ไม่มีใครปฏิบัติตามแล้วเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนไป mm hmm. สมัยนี้เราทํามาค้าขายกับน า, นานาชาติซึ่งนานาชาติเขาก็ใช้วันหยุดในวันเสาร์อาทิตย์เป็นวันหยุดทํางาน mm hmm. ถ้าเราไปทํางานไปหยุดในวันที่เขาทํางานเราก็จะไม่สามารถติดต่อการค้ากับเขาได้ แล้วถ้าเราไปทำงานในวันที่เขาหยุดทำงานก็ไม่สามารถติดต่อกันได้เราก็เลยต้องเปลี่ยนวันหยุดทำงานจากวันพระที่เคยเป็นอยู่มาหยุดตามสากลก็คือวันเสาร์วันอาทิตย์นี่ถ้าเรายังถือวันพระเป็นวันหยุดทำงานอยู่ถือวันพระเป็นวันที่เราจะมาทาการปฏิบัติบูชาอย่างวันนี้มันก็จะเป็นสิ่งที่ เราอาจจะทำไม่ได้ถ้าเราทำงานกับบริษัทหรือกับทางราชการก็จะต้องไปทำงานถ้าขอลาหยุดถ้าลาหยุดบ่อยๆก็อาจจะมีปัญหาต่อการงานได้อาจจะถูกเขาเลิกจ้างก็ได้เพราะฉะนั้นชาวาพุทธเราถ้ายังต้องการมีวันวันพระวันหยุดทำงานเพื่อ ทำการปฏิบัติบูชาเี่ก็ควรที่จะเปลี่ยนวันพระให้เป็นให้ตรงกับวันหยุดทำงานของเราอถ้าเราหยุดทำงานวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เราก็เลือกวันใดวันหนึ่งเป็นวันพระของเราวันพระจะเป็นวันเสาร์ก็ได้วันอาทิตย์ก็ได้ถ้าเราหยุดสองวันก็เลือกเอาวันหนึ่งว่าวันนี้จะเป็นวันพระนะวันพระก็คือวันทำการปฏิบัติบูชาหรืออมิษบูชา แล้วแต่กําลังแต่เป้าหมายหลักก็คือวันพราช น, นี้มีไว้เพื่อปฏบิบัติบูชาเพราะอาบิสบูชานี้สามารถทําได้ทุกวันสามารถทําบุญทําทานบริจาคเงินแล้วก็ไปทํางานได้รักษาศีลห้าก็ไม่ขัดกับการทํางานได้อย่างไรแต่ถ้าต้องทําการปฏบิบัติบูชานี้มันจะมีปัญหาตามมาได้เพราะว่า ไหนจะต้องถือศีลแปดศีลแปดก็คือให้เราเออสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายไม่ให้ไปเสียความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายเสรืรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะเช่นการรับประทานอาหารเราก็ต้องไม่รับประทานอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วซึ่งก็อาจจะลำบากสาหรับผู้ที่ทางาน เพระปกติจะหยุดพักทํางานตอนเที่ยงตอนกลางวันก็หยุดตอนเที่ยงวันพอดีพอมากินอาหารตอนหลังจากเที่ยงวันไปมันก็มันก็ไม่ตรงกับศีลที่ถือวว้ศีลไม่ให้รับประทานอาหารหลังเที่ยงวันดังนั้นถ้าเรายังอยากที่จะมีวันพระที่เราสามารถใช้ให้กับการปฏิบัติบูบชาได้ เราก็ควรที่จะกำหนดวันพระของเราขึ้นมาเองเพราะความหมายของวันพระที่แท้จริงก็คือวันหยุดทำงานวันที่เราจะให้เวลาให้กับการปฏิบัติบูชาฉนั้นเราก็ต้องใช้วันที่เราหยุดทำงานเช่นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์แล้วกำหนดขึ้นมาว่าวันนี้เป็นวันพระของเราเป็นวันที่เราจะจะมีทำการปฏิบัติบูชาปฏิบัติด้วยการ ด้วยการรักษาศีลแปดแล้วก็ฝึกสมาธิแล้วก็เจริญปัญญาอันนี้เป็นขั้นตอนที่เราจะเอามาใช้ในการชำระกิเลส ต, ตัณหาที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปได้การที่จะชำระกิเลส ต, ตัณหาให้หมดสิ้นไปในใจได้นี้จาเป็นที่จะต้องมีการปฏิบัติบูบชา และการปฏิบัติบูชานี้ยก็จาเป็นจะต้องปฏิบัติแบบต่อเนื่องไม่ใช่ปฏิบัติแค่วันละครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งเท่านั้นอันนี้ไม่เพียงพอเพราะว่ากิเลสตัณหามันทางานตลอด24ชั่วโมงยกเว้นเวลาหลับตั้งแต่เราลืมตาขึ้นมานี้กิเลสตัณหาก็เริ่มทำงาน ท, ทันทีเริ่มคิดอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากเสพนู่นอยากเสพนี่ ท, ทันที ถ้าเรามาหยุดกิเลสแค่วันละครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งด้วยการนั่งสมาธิ<ม>แล้วบางทีก็นั่งแล้วก็หยุดม ไ, ไม่ได้นั่งแล้วจิตก็ยังฟุ้งซ่านอยู่ถ้าปฏิบัติแบบนี้แล้วรับประกันได้ว่าไม่มีวันที่จะสําเร็จได้<ม>ถ้าต้องการที่จะให้การปฏิบัติมันก้าวหน้าเป็นกอบเป็นกำนี้การปฏิบัตินี้จําเป็นที่จะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง<ม>ตั้งแต่ลืมตาขึ้นมา จนถึงเวลาที่หลับไปเพราะการปฏิบัติเบื้องต้นนี้เราจาเป็นที่จะต้องควบคุมความคิดควบคุมความอยากด้วยการเจริญสติคือเรายังไม่สามารถที่จะกำจัดความอยากได้เบื้องต้นเราก็คอยหยุดมันคอยเบรคมันและสิ่งที่จะมาเบรคความอยากได้ก็คือตันก็คือสตินี่ ซึ่งเราก็ต้องฝึกสติตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเพราะาพอเราเตื่นขึ้นมาปั๊บนี้พอเราคิดอะไรไปนี้มันมักจะถูกกิเลสเอาไปคิดดึงเอาไปคิดตามความอยากทันทีเราก็ต้องพยายามใช้ใช้สติคอยหยุดความคิดหยุดความอยากต่างๆทันทีต้องทำอย่างต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืนยกเว้นเวลาหลับะนนที่เราจะไม่ได้ปฏิบัติ การปฏิบัินี้ไม่ได้หมายความว่าจะน้องนั่งสมาธิอย่างเดียวถึ้งยังเรียกว่าเป็นการปฏิบัติการปฏิบัินี้อยู่ที่สติการการเจริญสตินี่แหละเป็นการปฏิบัติซึ่งการเจริญสติก็จำเป็นที่จะต้องเจริญตลอดเวลาตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาจนถึงเวลาหลับไม่ว่าจะอยู่ในเอริยาบทใดเดินยืนนั่งนอนหรือทาภารกิจอะไรก็ตาม จำเป็นที่จะต้องมีสติคอยกากับใจอยู่ตลอดเวลาไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะเวลาคิดไปแล้วมักจะเกิดตัณหาความอยากกับสิ่งนั้นสิ่งนี้กับเรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นมาทันทียังต้องคอยควบคุมความคิดไม่ให้คิดอะไรให้รู้อยู่กับงานที่เรากำลังทำอยู่หรือถ้ามันไม่ยอมหยุดคิดบางทีก็ต้องใช้คาบริกรรมพุทธโธพุทธโธมา มากำกับ อ, กอีกชั้นหนึ่งพอลืมตาขึ้นมาก่อนที่จะลุกขึ้นมาจากที่นอนก็พุทโธพุทโธไปก่อนเลยอย่าปล่อยให้ใจคิดแล้วพอลุกขึ้นมายืนก็ให้รู้ว่าเรากำลังยืนอยู่ไม่ให้ใจเราไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้พอจะเดินไปทำภารกิจอะไรก็ให้มีความรู้อยู่ตลอดเวลารู้อยู่กับการ เคลื่อนไหวของร่างกายตลอดเวลาไม่ให้ไปคิดถึงอดีตที่ผ่านมาแล้วไม่ให้ไปคิดถึงอนาคตที่จะตามมาต่อไป mm hmm. เวลาฝึกสตินี้เราต้องการให้จิตอยู่ในปัจจุบันไม่ให้คิดถึงอดีตไม่ให้คิดถึงอนาคต mm hmm. ปัจจุบันก็ให้รู้เฉยๆสักแต่ว่ารู้รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ mm hmm. กำลังเดิน mm hmm. ก็รู้ว่ากำลังเดินกาลังยืนก็รู้ว่ากาลังยืน กำลังนั่งก็รู้ว่ากําลังนั่ง <g liness> กําลังนอนก็รู้ว่ากําลังนอน <g liness> กําลังอาบ น, น้ําล้างหน้าแปรงฟันก็รู้อยู่ไปทุกขณะของการเคลื่อนไหว <g liness> แล้วพอเรายเวลาเราจะมาเวลามีเวลาที่เราจะมานั่งสมาธิ <g liness> เราก็นั่งหลับตาแล้วก็มารู้อยู่กับลมหายใจเข้าออก <g liness> ถ้าเราได้ฝึกสติมาตั้งแต่ตื่น พอมาถึงเวลาจะนั่งสมาธินี้ใจก็จะไม่คิดฟุ้งซ่านละเ ว, mm. วลาให้มันอยู่กับลมหายใจมันก็จะอยู่กับลมหายใจได้อย่างสบาย mm. มันจะไม่ดิ่นหรีไปคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้เ mm. พราะเราได้เจริญสติมาตั้งแต่ตื่น mm. อคอยควบคุมความคิดอยู่ตลอดเวลา mm. ถ้าไม่ควบคุมความคิดเวลามานั่งสมาธินี้ใจมันจะลอยไปทันที รอยไปกับเรื่องนั้นลอยกับคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้<ม>นั่งสมาธิแปให้ดูลมก็ดูไม่ได้ให้พุโทโธก็พุโทโธได้เพียงสองสามคำแล้วก็หายไป<ม>ถ้าปฏิบัติแบบนี้แล้วผลคือการทำใจให้สงบนี้มันก็จะไม่เกิดขึ้นมามการทำใจให้สงบก็คือการทำใจให้หยุดนิ่งให้หยุดคิดอย่างเต็มที่ เต่ลัใจหยุดคิดแล้วความอยากมันก็ทํางานไม่ได้พ อ, อความอยากมันหยุดทํางานใจก็เบาใจก็เย็นใจก็จะสบายมีความสุข อ, อันนี้เป็นการตัดกําลังของของความอยากด้วยการใช้สติคอยหยุดความคิดทําใจให้นิ่งให้สงบให้ได้พอเมือ่อใจนิ่งใจสงบแล้ว ความอยากก็จะไม่ทำงานแล้วเวลานั้นเวลาความอยากไม่ทำงานจะเกิดความรู้สึกเยน็นสบายภายในใจเพราะความอยากมันเป็นเหมือนกับของร้อน<ม>เนเหมือนไฟ<ม>เวลาเกิดความอยากได้นู่นได้นี่ไฟจะลุกขึ้นมาในใจใจจะมีอาการร้อนหล่นขึ้นมาสังเกต ด, ดูเวลาคนที่เขามีความอยากนี่ใจเขาจะร้อนเขาจะต้องให้ได้สิ่งที่เขาอยากได้ทันที ท้าไม้ได้เราจะดิ้นตายให้ได้จะเกิดอารมณ์เสียขึ้นมานี่คือพิษของความอยากเวลาเกิดความอยากขึ้นมาในใจแต่แต่ละครั้งนี้จะทําให้ใจวุ่นวายขึ้นมาทําให้ใจร้อนใจไม่เย็นใจจะมีอารมณ์ฉุนเฉียวขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วดังนั้นเราต้องคอยควบคุมความอยากก่อน ก่อนที่เราจะกำจัดความอยากได้แบบสมบูรณ์นี้เบื้องต้นเราต้อง <c oughs> หยุดความอยากแบบชั่วคราวไว้ก่อนด้วยกำลังของสติสตินี้ถ้าเปรียบเทียบก็เป็นเหมือนกับก้อนหินที่เราเอาไปทับหญ้าเวลาเรานั่งสมาธิเจริญสติทำจิตให้สงบนิ่งก็เหมือนกับเราเอาก้อนหินไปทับไว้กับหญ้า หญ้าที่ถูกหินทับไว้นี้ก็จะงอกงามขึ้นมาไม่ได้แต่พอออกจากสมาธิมาเอาก็เท่ากับเอาหินออกจากจากหญ้าที่เราไปทับไว้ด้วยหินพอไม่มีหญ้าทับไว้เดี๋ยวหญ้าที่ถูกหินทับไว้มันก็จะงอกงามกลับคืนขึ้นมาใหม่เพราะว่ารากของหญ้ามันไม่ได้ถูกกำจัดนั่นเอง การเจริญสติการฝึกสมาธินี่มันเหมือนกับเอาหินไปทับกิเลสไว้ไปกดเอาสติเอาสมาธิไปกดไว้ไม่ให้กิเลสตัณหาความอยากได้ทำงานแต่พอออกจากสมาธิมาแล้วก็ต้องใช้ความคิดเกี่ยวกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าไม่มีสติเดี๋ยวความคิดนั้นก็จะกลายเป็นเครื่องมือของกิเลสตัณหาไปได้ คิดถึงเรงนั้นคิดถึงเรื่อง น, น, งองนี้เห็นสิ่งนั้นเห็นสิ่งนี้ก็เกิดความอยากได้ขึ้นมาอยากได้อยากดูอยากฟังอยากไปอยากทำอะไรต่างๆขึ้นมาตอนนั้นก็ถ้าไม่ฝึกสติต่อมันก็จะถูกอำนาจของกิเลสตั้หาความอยากพาให้ไปทำอะไรต่างๆพาให้สร้างความทุกข์ความวุ่นวายใจต่อไปได้ถ้าเป็นนักปฏิบัติ ที่เห็นโทษของการที่ไม่มีสติก็จําเป็นที่จะต้องคอยมีสติต่อไม่ใช่มีสติเฉพาะตอนที่จะนั่งสมาธิเท่านั้น <c oughs> เวลาหลังจากออกจากสมาธิมาก็ต้องพยายามฝึกสติต่อไปฝึกให้มันเป็นนิ ส, สัยให้ได้ฝึกให้มันเป็นอัตโนมัติคืมอ ม, ม, มีสติตลอดเวลาช่วงเวลาที่เรา ไม่ได้นั่งสมาธิเราก็ต้องเจริญสติคอยควบคุมความคิดอยู่ต่อไปเวลาออกจากสมาธิมาก็อย่าทิ้งสติก็เจริญสติต่อไปคอยควบคุมความคิดคิดได้ในเรื่องที่จาเป็นอย่าต้องคิดเพราะเรายังต้องใช้ความคิดในการทำงานทาการอยู่แต่ถ้าเป็นไปได้ถ้าเราอยากจะ ไม่ต้องใช้เราอยากไม่ไม่อยากจะใช้ความคิดมากเราก็ต้องลดภารกิจการงานลงให้น้อยลงเพราะการทํางานภารกิจต่างๆนี้มันจําเป็นจะต้องใช้ความคิดคนที่เห็นคุณประโยชน์ของการมีสติที่คอยควบคุมความคิดและหยุดความคิดได้เห็นผลที่เกิดจากการทําจิตให้สงบนิ่งนั้นว่าเป็นความสุขยิ่งกว่าความสุขที่ได้จากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ก็อาจจะอยากจะ ลดเลยอยากจะเลิกการทำมาทางานทำการต่างๆเปลี่ยนอาชีพจากการเป็นพ่อค้าแม่ค้าทำมาหากินหาเงิ น, ห า, งนหาทองหาสตังห์เปลี่ยนเป็นอาชีพของนักบวชแทนที่จะหาสตัง์ก็มาหาสติแทนเพราะเห็นคุณค่าของสติว่ามีคุณค่าราคามากกว่าสตัง์ที่ได้มาหามาได้หาเงินมาหาสตัง์มาได้เป็นร้อยล้านพันล้าน มันก็ไม่ได้สร้างความสุขเหมือนกับการที่ได้มีสติหยุดความคิดทาจิตให้สงบนิ่งเป็นสมาธิได้เวลาจิตนิ่งจิตสงบมันจะได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมที่เหนือกวบรถทั้งปวกรถแห่งธรรมก็คือรถของความสงบรถทั้งปวงก็คือรถของโลกธรรมนี่ไม่ว่าจะเป็นลาบรสเสริหรสความสุขทางตาหจูจมูกนิ้กายนี้เมื่อมาเปรียบเทียบกับ ความสุขที่ได้จากการทำใจให้สงบแล้วนี่มันต่างกันเหมือนฟ้ากับดินผู้ใดที่สามารถทำจิตใจให้สงบได้แม้แต่เพียงชั่วขณะหนึ่งที่เรียกว่าคณิกะสมาธินี้จะเริ่มเห็นคุณค่าของความสงบน่าจะเห็นความด้อยค่าของราบยศสารเสิญสุขน่าจะเห็นว่าการหาความสุขทางโลกนี้มันวุ่นวายมันยุ่งยากกว่า การหาความสุขจากความสงบการหาความสุขจากความสงบนี้เพียงแต่ให้มีเวลาเวลาว่างไม่ต้องทําภารกิจการงานอย่างอื่นแล้วก็มีสถานที่ที่สงบที่ห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะต่างๆเช่นตามวัดป่าวัดเขาวัดปฏิบัติธรรมทั้งหลายนี่มักจะตั้งอยู่ในสถานที่ที่ห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะ จะมีความสงัดวิเวกสงบเพื่อต่อการเจริญสตินั่งสมาธิกันถ้าได้สัมผัสกับความสุขความสุขที่เกิดจากความสงบแม้แต่เพียงช่วงงูแลบลิ้นก็ตามมันจะมีความประทับใจมากมันจะมีความรู้สึกอยากจะหาความสุขแบบนี้มากกว่าอยากจะหาความสุขแบบเก่าความสุขแบบเก่าก็คือความสุขที่ได้จากลาบยศสารสสุขนี่มันจะเริ่มมี มันจะเห็นว่ามันไม่มีคุณค่าเหมือนกับความสุขที่ได้จากความสงบถ้าได้สัมผัสกับความสงบแล้วทีนี้ก็อยากที่จะหาเวลาให้มีมากขึ้นเพื่อที่จะได้เอาเวลามาเจริญสติลดการหาสตังค์ให้น้อยลงเพิ่มเวลาของการหาสติให้มากขึ้น mm hmm. ตอนต้นอาจจะต้องแบ่งถ้ายังไม่สามารถเลิกภารกิจการงานได้เลย ก็อาจจะลดการทำงานลงให้น้อยลงทำเท่าที่จําเป็นทำเพื่อเลี้ยงชีพก็พอการทำงานนี้ก็เพื่อหาทรัพย์มาเพื่อจะได้มีปัจจัยสี่ไว้ดํำรงชีพถ้าเราถ้าเราอยู่แบบสมถะเรียบง่ายในการบริโภคปัจจัยสี่นี้จานวนเงินทองที่จะต้องมาใช้กับการเลี้ยงดูร่างกายนี้จะไม่มาก เมื่อไม่ต้องใช้เงินมากก็ไม่ต้องทํางานมากสามารถลดงานได้ถ้าถ้าลดได้ถ้าลดไม่ได้ถ้าต้องออกก็อาจจะออกก็ได้ถ้ามีเงินสะสมเก็บเอาไว้แล้วหรือถ้าอยากจะไปอยู่วัดไปบวชเลยก็ไม่จําเป็นจะต้องมีเงินทองเลยก็ได้อ อ, อันนี้จะเป็นผลตามมาจากการเริ่มฝึกสติฝึกนั่งสมาธิไป พอวันไดวันหนึ่งจิตรวมลงเป็นกานิกะสมาธิขึ้นมาจิตจะได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมที่เหนือกว่ารสทั้งปวงแล้วมันจะติดใจเหมือนกับได้ลิ้มรสอาหารอันโอชะที่ไม่เคยลิ้มรสอย่างนี้มาก่อนอาหารต่างๆที่เคยรับประทานนี้มันจะไม่มีความหมายต่อไปอยากจะรับประทานอาหารแบบนี้อย่างเดียวถึงเวลานั้นก็จะเริ่มเปลี่ยนวิถีชีวิต จากการหาความสุขจากโลกธรรมมาสู่การหาความสุขจากการเจริญสตินั่งสมาธิเพื่อทำใจให้สงบถึงแม้ว่ามันจะเป็นความสุขที่ชั่วคราวก็ตามแต่รู้ว่านี่แหละเป็นทางที่จะต้องไปต่อไปเบื้องต้นก็พยายามสร้างความสุขในระดับของสมาธิให้ได้ก่อนแล้วหลังจากนั้นถ้าเกิดความชํานาญในการเข้าออกสมาธิแล้ว สมเวลาทุกเวลาที่ต้องการเข้าสู่สมาธิก็สามารถเข้าได้อย่างรวดเร็วอย่างง่ายได้มีความชำนาญเมื่อถึงเวลานั้นแล้วก็จะได้ไปสู่ขั้นที่สองของการชำระจิตใจก็คือการถอดถอนกิเลสตัณหาความอยากด้วยปัญญาให้หมดสิ้นไปจากใจเพราะว่าสตินี้ไม่มีกำลังไม่มีความสามารถที่จะถอดถอนถอดถอนากเหง้าของกิเลสตัณหาคือโมหะอวิชชา ความรความหลงความเห็นผิดเป็นชอบต้องอาศัยปัญญาสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบที่จะมาสอนให้เห็นว่าสิ่งที่กิเลสตัณหายอยากได้อยากอยากมาอยากเสพอยากสัมผัสนี้มันไม่ใช่เป็นความสุขมันเป็นความทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันเป็นของไม่เที่ยงมันไม่ได้ให้ความสุขได้ตลอดเวลา มันให้ความสุขชั่วเดียวเดียวล้วเดียวมันก็จางหายไปหมดไปพอมันหมดไปความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่เวลาสูญเสียสิ่งที่เรารักที่เราชอบไปเรามักจะมีความรู้สึกเศร้าส้อยหงอยเหงาขึ้นมาให้พิจารณาด้วยปัญญาเพื่อมาแก้รากง้าของความอยากรากของความอยากก็คือความหลงที่ไปเห็นว่าโลกกระทำและสิ่งต่างๆที่ให้ความสุขกับใจนี้ ว่ามันเป็นความสุขชั่วคราวมันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงมันเป็นอนัตตาเราไม่สามารถที่จะสั่งให้มันให้ความสุขกับเราไปได้ตลอดเวลาได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปเบื้องต้นก็พิจารณาการความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดพ้ะก่อนว่ามันก็เป็นของชั่วคราวเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นอนัตตาเราสั่งให้มัน เที่ยงไม่ได้ได้ไมาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องหมดไปหมดไปแล้วมันก็จะทําให้เราเศร้าว้าวเวยทาให้เราจะต้องไปหามาใหม่อยู่เรื่อยสอนจะกระชั่งเราสามารถละกามาตัญหาได้รับความสุขที่ได้จากรับความสุขที่ได้จากการเสด ร, รูปเสียงกลิ่นรสผดถภะแล้วขั้นต่อไปเราก็มาดูว่าเรายัง เวลาที่เราไม่เสบรูปเสียงกลิ่นรสแล้วเราไปเสบอะไรเราก็จะไปเสพความสงบกันเสบความสงบที่ได้จากการเข้าฌานขั้นต่างๆเข้ารูปฌปานและเข้าอารมณ์ฌปปานเป็นต้นเราก็ต้องพิจารณาว่ารูปฌานการรูปฌานถึงแม้จะเป็นความสุขที่เลื่อกว่าความสุขทั้งปวงแต่มันก็ยังเป็นความสุขแบบชั่วคราวอยู่เป็นเป็นอนิจจมันไม่ใช่เป็นความสุขอย่างถาวรมัน ถ้าเราไปอยากเสพมันก็จะทำให้ใจเหล่านี้ต้องดิ้นหลนไปหามาแล้วเวลาได้มาก็จะมีความสุขชั่วคราวพอออกจากสมาธิมาความสุขนั้นก็จะหายไปดังนั้นถ้าเรารู้ว่ามันเป็นความสุขชั่วคราวเป็นอนิจจังเป็นอ น, นัตตามันจะทำให้เราทุกข์ได้เราก็ต้องอย่าไปเสพมันเราต้องมองมันเหมือนกับว่าเราเหมือนกับที่เรามอง มองในรูปเสียงรูปเสียงกิดลดผลตภะว่ามันเป็นของชั่วข่าวเป็นอนิจจังทุกขังนอตตาอันใดเราก็ต้องมองรูปปัจจานะรูปปัจจานถ้าเรายังเสบรูปปัจจานเลื้อรูปปัจจานอยู่เราก็ยังจะติดอยู่กับรูปปัจจานติดอยู่กับอารูปปัจานถ้าติดกับรูปปัจจานเราก็จะกลับมาเกิดในรูปภพถ้าติดอยู่กับอารูปปัจจานเราก็จะกลับมาเกิดในอารมูปภพหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไป ถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเกิดไม่ว่าจะเป็นกามาพบหรือรูปมาพบหรืออะไรก็ตพมเราก็ต้อง ต, อตัดความอยากทั้งสามนี้ให้หมดไปตัตดความอยากเสกกรมกรรมมาคุณห้าตัดความอยากจะเสกรูปประชาน ต, ตัดความอยากจะเสกรูปประชานพอพิจารณาด้วยปัญญาแล้วเห็นว่ามันเป็นทุกข์เพราะว่ามันเป็นอันนี้จังทุกขังอนัตตาแั้วเี่พอเรา ต, ตัดความอยากเหล่านี้หมดไปจากใจแล้วใจก็จะสะอาด บ, บริสุทธิ์ขึ้นมา ใจก็จะนิ่งสงบโดยธรรมชาติเพราะว่าความสงบของใจนี้ที่มันไม่สงบก็เพราะาเพราะกิเลสตัณหานี้ท้งนั้นที่มาสร้างความไม่สงบให้กับใจพอเกิดความเกิดตัณหาขึ้นมาในใจแต่ละครั้งนี้ใจจะกระเพื่อมขึ้นมา ท, ทันทีใจจะร้อนขึ้นมา ท, ทันทีแต่พอไม่มีกิเลสตัณหามาแล้วมาสร้างความกระเพื่อมสร้างความร้อนในใจใจก็จะนิ่งสงบเย็นเป็นตลอดเวลา อันนี้แหะคือความสงบที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงความสุขที่จีรังถาวรที่ไม่มีที่ไม่อยู่ภายใต้กฎอันนี้จังทุกขังอนัตตาอันนี้ก็คือความสุขของพระนิพพานนิบบานังปรามังสุ ข, ขงังที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่เราได้ชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์กําจัดกิเลสตัณหาความอยากต่างๆที่สร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจนี้ให้หมดสิ้นไปจากใจ กิเลสตัณหาหมดสิ้นไปจากใจแล้วใจก็จะสะอาดบ่อยสุดใจก็จะเป็นปรมังสุขขังขึ้นมามีความอิ่มมีความพอไม่มีความหิวไม่มีความอยากไม่มีความอยากที่จะไปเกิดอีกต่อไปเพราะไม่มีกามาตันหาไม่มีความอยากที่จะไปเสพรู ป, ปรชาหรือรู ป, ปรชาเพราะใจมีความสุขโดยที่ไม่ต้องเสพอะไรอันนี้แหละจะเป็นผลที่จะเกิดขึ้นจากการเจริญปัญญาหลังจากที่เราได้สมาธิก่อน ถ้ายังไม่ได้สมาธิไปเจริญปัญญานี้มันจะไม่มีกำลังที่จะฝืนความอยากได้เพราะว่าเวลาเกิดความอยากขึ้นมานี้มันจะสร้างความทุกข์ทรมานให้กับใจถ้าใจไม่มีสมาธิจะต้านไม่ไหวแต่ถ้าใจที่มีสมาธินี้กาลังของสมาธิคื อ, อเบกดขาจะสามารถต้านความรู้สึกทรมานในใจได้สามารถไม่ สามารถสู้กับความอยากต่างๆได้เมื่อเห็นด้วยปัญญาว่าการทําตามความอยากจะนำไปสู่ความทุกข์ต่อไปนี่แหละคือขั้นตอนของการปฏิบัติบูชาเป็นการบูชาที่สูงสุดเป็นการบูชาที่ดีที่สุดเพราะจะทําให้แก้ปัญหาคือความทุกข์ความทุกข์ของการเวียนว่ายตายเกิดความทุกข์ในของการเกิดแก่เจ็บตายนี้จะหมดสิ้นไป แใจที่ได้ถึงพระนิพพานแล้วก็จะไม่มีการกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปทุกย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดนี่คือผลที่จะตามมาจากการปฏิบัติบูบชาซึ่งเป็นการบูชาที่พระเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นการบูชาที่เลิ่ที่สุดแต่ถ้าเรายังไม่สามารถที่จะทําปฏบิบัติบูชาได้ก็ให้เราเริ่มทําการอามิสบูชาไปก่อนสร้างสร้างอินทรีย์สร้างพลังให้กับจิตใจ ด้วยการทําบุญทําทานด้วยการไม่ทําบาสรักษาศินห้าไม่เสพบาเ ย, ยามุกไปก่อนแล้วในวันพระก็เอาวันพระมาเป็นวันฝึกซ้อมทําการปฏิบัติบูชาหนึ่งวันเจ็ดวันในเจ็ดวันหกวันเราก็ทําอามิสบูชาทําบุญใส่บาสรักษาศินห้าไปพอ ถ, ถึงวันหยุดทํางานเราก็เอาวันหยุดทํางานนี้มาทําการปฏิบัติบูชาปฏิบัติตั้งแต่ตืน่นจนหลับเลย ไม่ให้มีเวลาที่ว่างจากการฝึกสติเลยนอกยากว้นเวลาหลับเท่านั้นฝึกสตินั่งสมาธิรับรองได้ว่าถ้าเรามีการกระทําอย่างนี้นะครับความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติมันก็จะเริ่มเกิดขึ้นตามลําดับแล้วต่อไปมันก็จะเพิ่มการปฏิบัติเพิ่มได้มากขึ้นไปเรื่อยๆจนจากการปฏิบัติเพียงวันวันเดียวในวันพระก็จะกลายเป็นปฏิบัติทุกวันเลยคือจะได้ไปบวชกันจะได้ หยุดทำงานทําการเงเอางานปฏิบัติบูชานี้เป็นงานที่สําคัญที่สุดเอามาเอากระทํากันเมื่อเราได้ได้ทําอย่างเต็มที่แล้วผลก็ยัต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะพระบรรดาพระสาวกทั้งหลายท่านก็กระทำอย่างนี้กันทั้งนั้นบรรดาพระสาวกทั้งหลายก่อนที่ได้เจ อ, จ, อจะได้เจอกับพระพุทธเจ้าหรือพระธรรมคำสอนหรือพระอริยสงฆ์ก็เป็นคนธรรมดาสามัญอย่างพวกเรานี้เหมือนกัน ยังมีกิเลสตัณหายังมีความามีความทุกข์มีความวุ่นวายใจต่างๆอยู่เหมือนกันแต่หลังจากที่ได้ยินได้ฟังธรรมแล้วได้แนวทางของการปฏิบัติแล้วก็เอาไปปฏิบัติกันพอปฏิบัติแล้วผลมันก็จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนอนี่ก็คือเรื่องของการมาทําการบูชา การแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยการปฏิบัติด้วยการด้วยอาวิสบูชาและด้วยการปฏิบัติบูชาทำอย่างใดอย่างหนึ่งถ้ายังปฏิบัติบูชาไม่ได้ก็ทำอาวิสบูชาไปก่อนปฏิบัติบูชาก็ลองมาทำในวันหยุดทำงานดูวันที่เราว่างทำไปเรื่อยๆแล้วผลก็จะเริ่มเกิดขึ้นมาตามลำดับ เมื่อมีผลแล้วกำลังใจที่อยากจะปฏิบัติก็จะมีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆตนในที่สุดก็จะอยากจะปฏิบัติเพียงอย่างเดียวไม่อยากจะทำอะไรอย่างอื่นอีกต่อไปถ้าทำอย่างนี้แล้วรับประกันได้ว่าความสะอาดบริสุทธิ์ของจิตใจก็จะต้องเป็นผลที่จะตามมาต่อไปอย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวะริกวะหาปูราปาริกุเรนติสาคหลังเอวเมวะอิโตชิน e ังเปตานังอุปการปติยุทธิตังปฏทธิตังต um ุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปณะวะโสยธามณิโชติอะระโสยธาสัพพิตโยวิวาจันตุสัพพโรโววินาสโตมาเตภวัตวันตาลาโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนะสีนิสานิจังวุธาปัจจายโน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 วันนี้ผู้ติดตามทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติไลฟ์421 YouTube พระสุชาติไลฟ์293 YouTube Dr.V c h a n n e ช84วิทยุออนไลน์8 Clubhouse 6ผู้รับฟังธรรมะนากุติ99คนรวมทั้งหมด911ครับ911ครับมีคำถามก็เดินถามได้เลย คำถามจากผู้รับฟังหน้ากุฏิครับการปฏิบัติถ้าได้ปฏิบัติภาวนาแล้วบางทีก็ภาวนาพุโทโธบางทีก็ติดคาภาวนาอันเก่าที่เคยทำมาเราจะต้องทำอย่างไรดีครับวิธีไหนก็ได้ถ้าทำแล้วทำใจให้สงบไม่ให้คิดได้ก็ใช้ได้เหมือนกันถ้าใช้อันไหนอันเก่าใช้ไม่ได้ก็ต้องหัดใช้อันใหม่ดู อันไหนดีกว่ากันก็ใช้อันนั้นไปแต่บางทีมันไม่ได้อยู่ที่วิธีหรอกมันอยู่ที่สติสติเราไม่มีวิธีไหนมันก็ไม่ดีแ้่สติเราดีวิธีไหนมันก็ดีคำถามต่อไปจากคุณใบยกตอนแรกที่เริ่มทำสมาธิเกิดเวทนาก่อนที่จิตจะสงบ แล้วรู้สึกว่ามีเวทนามากด้วยครับแต่พอสงบรวมลงก็ผ่านไปได้ปัจจุบันลูกนั่งสงบรวมที่หนึ่งเวลาหนึ่งชั่วโมงแต่รู้สึกว่าเวทนาไม่เกิดมีแต่สภาวะที่จิตติดแนบกับลมเฉยๆหรือเพราะจิตที่ติดกับลมลูกถึงไม่ได้กังวลกับเวทนาจึงเหมือนว่ามันไม่เกิดครับและระหว่างที่สงบเฉยๆอาการเวทนา ควรเกิดทุกครั้งที่นั่งสมาธิไหมครับก็อยู่ที่ว่านั่งนานหรือไม่นานถ้านั่งนานเดี๋ยวมันก็ต้องเกิดแต่มันจะเกิดในช่วงที่จิตไม่ไม่ได้เข้าสมาธิแต่ถ้าช่วงที่จิตเข้าสมาธิมันก็จะไม่เกิดดังนั้นถ้าเวลาอยากจะนั่งให้เจอเวทนาถ้ามันยังไม่เกิดก็รอนั่งไปเรื่อยๆก่อนจนกว่าเวลาจิตไม่ได้อยู่ในสมาธิแล้ว ถ้านั่งไปนานพอสมควรมันอาการเจ็บมันก็จะเกิดขึ้นมาอ่เชิญขอกราบรัตนาแล้วก็ขอความกรุณานะครับเวลาที่เราปฏิบัตินะครับเราจะรู้รเราจะรู้ได้อย่างไรว่าจิตเราเข้าถึงสมาธิแล้วครับอ๋อมันต้องรู้นะเพราะว่าเวลาสงบกับไม่สงบมันต่างกันเงินฟ้ากับดินเป็นเวลาที่เราอยู่ห้องที่มีเสีย ง, งก็ทึกทุกคร แล้วพอเข้าไปข้างหนึ่งมันเงียบแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นเวลาทิ้งแล้วไม่สงบมันจะมีเสียงไม่ใช่เป็นเสียงอะมันเป็นเรื่องวุ่นวายต่างๆในใจเราเรื่องนู้นเรื่งนี้คนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้แต่พอมันสงบปั๊บมันเงียบมันจะโล่งคำถามต่อไปจากคุณสตา์ ท่านผู้ที่สิ้นกิเลสไปแล้วเมื่อตายไปขันห้าไม่มีแล้วเหลือแต่ผู้รู้ตอนนี้ตอนที่ตายนี้ตัวผู้รู้จะอยู่รู้ตลอดไปไหมครับ ร, รู้ว่าตอนนี้ตายแล้วจะรู้อยู่ตลอดการเลยไหมครับหรือจะอยู่ในสภาวะแบบไหนครับก็รู้อยู่ตลอดการแม้แต่คนที่ไปเกิดเมียนว่ายตายเกิดก็รู้อยู่ตลอดการเพียงแต่ต้องไปรู้เรื่องราววุ่นวายใจต่าง พอไม่ไปเกิดมันก็ไม่มีเรื่องวุ่นวายให้เรามารับรู้เท่านั้นเองเราก็อยู่อย่างสบายอยู่อย่างไม่มีเรื่องดีกว่าอยูอย่กับแล้วต้องมีเรื่องวุ่นวายใจใช่ไหมที่ปฏิบัตินี้ก็เพื่อยุติเรื่องวุ่นวายใจต่างๆให้ใจเราอยู่กับเรื่องให้ให้ใจเราอยู่กับความว่างความเย็นความสบายคำถามต่อไปจากคุณนงลักษณ์สิ่งที่จะพาเราไปเกิด คือกำลังของบุญและบาปจะรู้ได้อย่างไรว่าบุญกับบาปอะไรมีเยอะกว่ากันถ้าอดีตรเราทำกรรมไม่ดีเอาไว้มากแต่ปัจจุบันได้ละแล้วมุ่งแต่สร้างบุญกุศลจะมีโอกาสได้กำลังบุญจากสิ่งที่ทำไว้ให้ไปเกิดในสุขติภพได้หรือไม่ครับก็วิธีหนึ่งก็คือเวลาที่เรานอนหลับเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าเราฝันดีหรือฝันร้าย ถ้าเรายังฝันรายอยู่ก็แสดงว่าบาปยังมันยังมีกำลังอยู่แต่ถ้าเรามีแต่ฝันดีแสดงว่าอบาปบูญมันมากกว่าบาปพอเวลาเราตายไปเราก็เข้าสู่โลกของความฝันนี่ฝันดีก็เป็นสวรรค์ฝันว่าเราได้ไปเที่ยวที่นั่นได้ไปกินไปดูไปฟังไปสัมผัสไปเจอคนนั้นคนนี้เจอแต่เรื่องดีๆเรื่องที่สนุกสนานไปเหมือนกับไปเที่ยวสวนสนุกอย่างนี้เวลาฝันดีนะ เวลาบุญถ้าฝันร้ายก็เหมือนไปอยู่ในภาวะสงครามเขามีการยิงกันไปยิงกันมาเรามีมีเรื่องการหาการกินการอยู่การอะไรต่างๆวุ่นวายไปหมดอันนั้นก็ฝันร้ายเนี่ยเวลาเราตายไปใจเราก็จะสร้างความฝันมาให้เราได้สัมผัสด้วยอำนาจของบุญหรือของบาปถ้าบาปมันก็จะสร้างเรื่องแต่ไม่ดีต่างๆเรื่องเรื่องทุกข์เรื่องเรื่องอะไรเรื่องภัยต่างๆ แต่ถ้าเป็นบุญก็จะสร้างแต่เรื่องที่ดีที่สุขที่เจริญให้เราได้เสพได้สัมผัสจนการหนังมันจะจบพอบุญหมดหนังมันก็จบหรือบาปหมดหนังมันก็จบเราก็มาเกิดใหม่ต่อไปคำถามต่อไปจากคุณตูตั้งแต่ฟังธรรมและปฏิบัติ ภาวนาทุกวันเช้ากลางวันและตอนค่ำอีกหนึ่งครั้งครั้งละหนึ่งชั่วโมงครับเห็นทุกสิ่งหมุนเวียนไปเร็วมากมีความเบื่อหน่ายทางโลกเหมือนวนไปซ้ำๆขอแจ้งการปฏิบัติธรรมครับจะถือศีลแปดในวันพระแต่ตอนนี้เปลี่ยนมาถือเฉพาะวันหยุดแทนเพราะต้องดูแลคุณแม่ที่ป่วยเป็นอมัมพฤกษ์ หนูมีอาการเบื่อหน่ายในทางโลกและร่างกายนี้มากหากปฏิบัติไปเรื่อยๆคือให้มีความสงบอย่างเดียวจะได้พบความสุขที่แท้จริงได้ใช่ไหมครับใช่ถ้ายังเบื่ออยู่ก็เพราะว่าจิตเรายังไม่สงบพอบางทีก็ต้องระงับความคิดเรื่องเบื่อหน่ายไว้ชั่วคราวก่อนแล้วพยายามทำใจให้สงบพอใจสงบมีความสุขแล้วมันก็จะเห็นสภาพของโลกที่มันเป็นทุกข์แต่จะไม่เบื่อหน่าย มันจะไม่ทุกข์กับของของความทุกข์ต่างๆมันจะรู้ว่ า, าโลกนี้มันไม่ใช่เป็นโลกที่เราจะน่าจะมาอยู่เลยเป็นโลกของความวุ่นวายคำถามต่อไปจากคุณหนึ่งต้องปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้อินทรีย์แก่กล้าขึ้นครับปฏิบัติมากๆทำมากก็มันก็จะได้มากทำน้อยก็จะได้น้อยเหมือนตากน้ำใส่ตุ่มครับ ถ้าเราสั ก, กน้าวันละขันใส่ตุ่มกับตับสักวันเรายี่สิบขันใส่ตุ่มเนี่ยอย่างไหนมันจะได้มากกว่ากันการปฏิบัติมากผลมันก็จะได้ปรากฏขึ้นมามากการปฏิบัติน้อยผลมันก็จะเกิดน้อยอนั้นพยายามปฏิบัติให้มากๆอย่างที่บอกว่าเอาวันพระนี่แหะเป็นวันที่เราจะปฏิบัติเข้มข้นหรือปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนยกเว้นเวลาหลับเท่านั้น ปฏิบัติสติสลับกับการนั่งสมาธิกับสลับกับการทำภารกิจการงานต่างๆที่จะเป็นต้องทำเช่นการเลี้ยงดูร่างกายการทำความสะอาด ร, ร่างกายการดูแลสถานที่อะไรต่างๆซึ่งไม่ต้องใช้ความคิดมากเราสามารถเจริญสติควบคู่ไปกับการทำงานเหล่านี้ได้คำถามต่อไปจากคุณสิริพันธ์ ขอโอกาสให้พระอาจารย์เมตตาอธิบายเรื่องการย่อมักแปให้เหลือเป็นสมาธิสติปัญญาคืออย่างไรครับก็มักแปดมีแบ่งไว้เป็น3ส่วนเนี่ยส่วนที่เป็นศีลส่วนที่เป็นสมาธิและส่วนที่เป็นปัญญาส่วนที่เป็นศีลก็คือสัมมากรรมโตการกระทําที่ชอบสัมมาวาจาคือการพูดที่ชอบและสัมมาอาชีโว อาชีพที่ชอบอาชีพที่ถูกต้องสามันนี้ก็อยู่ในกรอบของศีลสามมากรรมโตก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเพณีไม่ดื่มของมึนเมาเรียกว่าสัมมากรรมโตสัมมาวาจาก็คือไม่พูดปดสามมาชีวก็ทำอาชีพที่ไม่เบียดเบียนพูดไม่ทำอาชีพ ด, ด้วยการทำบาไม่ด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นต้นอันนี้อยู่ในกลุ่มของศีลสามข้อนี้ แล้วอีกสามข้อคือสัมมาวายาโมสัมมาสติสม า, ส, ส, มาสมาธิอันนี้ก็อยู่ในกลุ่มของสมาธิการจะมีสมาธิต้องมีความเพียรอย่างต่อเนื่องเพียรเพียรทาอะไรเพียรเจริญสติตั้งแต่ตื่นจนหลับที่ได้สอนที่ได้พูดให้ฟังการปฏิบัติเบื้องต้นนี้ก็คือการปฏิบัติสติต้องมีสติตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาจนกระทั่งหลับไปพอลืมตาขึ้นมาก็ต้องใช้พุโทโธพุโทโธ คอยควบคุมความคิดหยู่ความคิดแล้วพอมันมีสติเวลานั่งสมาธิจิตก็จะรวมเป็นสมาธินิ่งสงบเราก็จะได้สัมมาสมาธิ mm hmm. อันนี้สับนี้กลุ่มของสมาธิมีสามข้อสัมมาวายาโม О, ความเพียรชอบสัมมาสติการระลึกชอบการระลึกรู้ชอบและสา ม, มาสมาธิการตั้งอยู่ในความสงบของจิต mm hmm. อันนี้เรียกว่าอยู่ในกลุ่มของสมาธิ ส่วนในกลุ่มของปัญญามีอยู่สองข้อสมาทิฐิความเห็นชอบสมาสังกปโพความคิดชอบเห็นชอบเห็นย <university> ังไงถึงเรียกว่าเห็นชอบเห็นตายรักเห็นอริยสัจสี่เห็นว่าโลกนี้เป็นเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงเพราะมันเป็นอนัตตาเห็นทุกข์ก็เกิดจากความอยากของเราอยากให้โลกนี้มันเที่ยงอยากให้มันเป็นของเราพอมันไม่เป็นของเราเราก็เลยทุกข์ใจกันความคิดก็ให้คิดอย่างเรื่องเหล่านี้ คิดแต่เรื่องอ น, นิจจังทุกครั้งลนั้ตาคิดแต่เรื่องอริยสัจสเห็นอะไรก็พิจารณาว่าเป็นตายักไป็นสัมามาสังกปอันนี้อยู่ในกลุ่มของปัญญาคำถามต่อไปจากคุณสิริการในทุกคืนจะเกิดความฝันอยู่ประจำบางครั้งก็ฝันดีบางทีก็ฝันร้ายแบบนี้เป็นเพราะว่าจิตของเราไม่สงบใช่ไหมครับและควรทาอย่างไรครับ ก็ควรที่จะฝึกสติบ่อยๆให้มากขึ้นพยายามลดความคิดปรุงแต่งให้น้อยลงคิดเท่าที่จำเป็นนะความฝันก็มาจากความคิดของเราเนะี่เราคิดมากๆพอเราหลับมันยังไม่ยอมหยุดคิดมันก็เลยสร้างเป็นความฝันขึ้นมาแล้วฝันดีหรือฝันไม่ดีก็อยู่ที่บุญที่บาปที่เราทำไว้มีใครอยากจะถามอะไรอีกไหมถามได้นะช่วงนี้ เดี๋ยวเวลาแล้วแล้วขออนุ ญ, ญาตไ ม, ไม่ไม่ไม่ตอบคำถามนะเพราะไม่สะดวกเพราะจะต้องทำภารกิจอย่างอื่นต่อเดี๋ยวคนนั้นจะมาขอถ่ายรูปเดี๋ยวคนนั้นจะมาอะไรอีกันถ้าอยากจะถามคำถามตอนนี้ไ ม, ไ, ไม่ได้นจะไม่ได้ยินยังไงถ้าจะลบก้นสอบถามค่ะใกล้การเดินปัญญาค่ะหลังจากที่เรารู้สึกว่าเราทำสมาธิได้ระยะหนึ่งแล้วเรา อยากจะเดินปัญญาแล้วควรเริ่มอย่างไรแล้วก็เริ่มพึ่งเริ่มเมื่อไรคะความไม่เที่ยงของเงินทองก่อนจะได้เงินทองเป็นของไม่เที่ยงรวยได้ก็จนได้มีเงินก็หมดได้ถ้าไม่อยากจะทุกข์กับเรื่องเงินก็อย่าไปพึ่งเงินทองอย่าไปใช้เงินทองราบรถแต่ละส้นสุกนี่มันไม่เที่ยงถ้ามซื้อลอตเตอรี่ด้วยนยคะห้ามหาเงินเทียงแต่เอาเงินมาเลี้ยงดูปากทองก็พอแต่จะไม่หาเงินมาเพื่อซื้อความสุขต่างๆ เพาไม่ของไม่เที่ยงไม่แน่นอนถ้าเราอยากได้เงินทองมาเพื่อที่อยากจะทาบุญบํารุงพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นการก็ยังเป็นกิเลสเป็นกิเลสอยู่ใช่ไหมคะให้ทำให้ทำบุญอย่างเงินที่เรามีอยู่แล้วถ้าไม่มีเงินก็ไม่ต้องไปหามาอย่าไปหาสตางหาสติดีกว่าหาสติได้ได้ธรรมะได้คําได้บุญสูงกว่าการไปหาสตาง์มาทําบุญเจ้าค่ะถ้าไม่มีเงินก็ไม่ต้องกังวลเรื่องการทาบุญ <C> e <an> เจ้าค่ะเอาเวลาไปหาสติให้ฝึกสตินั่งสมาธิเจ้าค่ะจะได้บุญที่มีคุณค่าราคามากกว่าบุญที่ได้จากการทําบุญทําทานเจ้าค่ะแล้วก็คือเริ่มจากหลงจากที่เรานั่งสมาธิแล้วแล้วเราก็มาหมายถึงเจริญเริ่มมาคิดตรงนี้ใช่ไหมเจ้คาค่ะหรือว่าค <C> e <an> ิดก่อนต้องรอออกจากสมาธิก่อ น, <C> e <an> นเจ้าค่ะเวลาอยู่ในสมาธินี้พยายามให้มันนิ่งนานๆเจ้าค่ะแต่พอเราเออกจากสมาธิมาก็คิดอะไรเห็นอะไรก็คิดว่ามันไม่เที่ยงไปหมด เจ้าคองชั่วข่าวเห็นแฟนก็เป็นของไม่เทียมอยู่คนเดียวดีกว่าแต่วันหนึ่งแฟนก็ต้องจากเราไปเจ้าค่ะพอจากไปแล้วก็จะทําให้เราเศร้าทําให้เราทุกข์ถ้าค่ะกไม่อยากจะเศร้าไม่อยากจะทุกข์ก็ไม่ต้องมีแฟนดีกว่าเจ้าค่ะคิดนะจะไงค่ะคําคถามต่อไปจากคุณกอฟ ผมเจอเรื่องที่ผ่านเข้ามาของคนอื่นทั้งเรื่องนักเรียนที่ฝึกเรื่องของงานเจอหลายเรื่องมากครับจึงตัดสินใจไปด้วยการคิดในหลักของเหตุผลที่เป็นจริงแต่ก็อาจจะทำให้ผิดใจกับคนอื่นแต่ถ้าตัดสินใจแบบอื่นก็จะผิดต่อคุณค่าที่มีอยู่ในใจของตัวเราเองควรทำอย่างไรครับรู้สึกหนักใจครับก็ลองตามมาบวัวท่านเคยพูดเสมอว่าท่านเกรงใจทาท่านไม่เกรงใจคน ถ้าเกงใจคนทาก็แหละอย่างถ้าเราอยากจะรักษาทมเราก็ต้องไม่ไ ม, ไม่เก่งไม่ต้องเกงใจคนถ้าพูดไปแล้วทำไปแล้วไม่ถูกใจเขาก็ช่วยไม่ได้ถ้ามันถูกถ้ามันถูกทำดีกว่ไปทำสิ่งที่ผิดธรรมเพื่อเอาใจคนอื่นเช่นไปโกหกให้คนอื่นอย่างนี้เราเสียตัวเราเสียธรรมมันมีคุณค่าแต่เราได้คนเราได้เขามาเป็นเพื่อนอมันไม่คุ้มค่ากันเพราะคนมันเป็นของชั่วคราวเดี๋ยวก็ตายไป